อาลอัลออาหัดอิลัยขุมยาบันิอาดัมอัลลอฮฺต้บุลุนอินน لَكُمْ أ َ د ْ و ُِหสิบสองห้สามสีห้ห้า5้อยะหกอ บะออบิลลาฮิม a s h a y ิลลฮิ s, أ <S, أ <S ب ا ل ا ل ا ل ر ب سلام قول من رب ا ر ح ي م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 اللهم ب ك أصبحنا a s b a h n ا, أ و, إ ك أ و ب ك k a س m s a و b ك k a n a و b ك ن a n a و ilaikan n u s أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع الس عليم ر ض ر ي ت بالله رب و بالإسلام دينا و بمحمد الرسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمي وعافني في ب ص ر ي سبحان الله وبحمده عدد خلقه و ر ض ا نفسه วจินะการ์ شه وמידاد كلماته يحيو يقيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شألي كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมัสยิดที่มัสยิดของ Allah ที่รักทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตาม รายการตับซีตอัลกุรอานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านนะครับแล้วก็ดูอะไรดูตับซชตผ่านทีวีผ่านอะไรนะเฟซบุ๊กผ่านนู่นผ่านนี้ก็ห้ามดีแล้วสละมุตทุกท่ททานนะครับดูความเมตตาของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาตัอาดาอัลล์ Allah, เนี่ยเมตตาเรานะให้เกิดมาเป็นมุสลิมอัลลอฮฺอักบัดแล้วก็ให้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ห้มดีแล้ว คนที่อยู่ในศาสนาของเราเนี่ยเนื่อยเดี๋ยวต้องตื่นนมาตะฮัดจุดต้องเดินมามัสยิดแล้วก็ต้องฟังเสียงอาดาร์ในเวลาสุโบะทางเขตก็ห้ามไม่ให้เสียงดัง <c oughs> มันก็ทดสอบตลอดเวลาเลยใช่ไหมล่ะนี่คนที่ปฏิบัติตัวอย่างนี้นีนะ่อ่านกุรานสม่าเสมอ ดีกรุณาเยอะๆแล้วก็พอใจกับสองริสกีที่เราได้มาเล็กๆในนอนเนี่ยเราพอใจนะอเช่นอะไรบ้างสิฟัตของคนดีเนี่ยนะจะเพิ่งแปลเนี่ยนะเเล่าก่อนสิฟัตของต้วะ ต, ะตะวลนะีเราอยากเป็นตอยากเป็นโตวลีไหมอยากเป็นโตวลีก็คือคนที่เอลเลาะคุ้มครองดูแลตตวลีไม่ได้หมายความว่า เหได้แล้วก็เดินบนน้ําได้อิสลามมันจะสอนอย่างงั้นเป็นคนธรรมดานี่แหละนะก็ดูนบีสราบานนบีท่านเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นวารีของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยและพวกเราวันนี้ต้องการจะเป็นตัววารีก็ทําตัวผมจะเ้าห้ า, เ, หาเล่าสักห้าหกข้อหนึ่งฟังเสียงอาจารอยู่ที่บ้านเนี่ยรอฟังเสียงอาจารเรียกในภาษา ฮัดีก็คืออินติวอรุลอาจารรอเสียงอาจารแล้วก็พยายามอยู่ซอกหน้าของเราไม่ ม, มากี่ซอกเนี่ยสองซอกเองใช่ไหมในประเทศอื่นๆที่กำัมา ก, ก็ไปยี่สิบซอบสามิบซอกนะก็ให้เลือกซอกหน้านั่นละเป็นเอาเลียเป็นตรวลีข้อที่สามหัวใจของเราเนี่ยต้องสะอาดบริสุทธิ์เรื่องเรื่องอิชาคนไม่มีเมื่อกอนเคยมีตอนนี้เลิกหมดแล้วนะทตัว พวใจสะอาดนะครับสงสารเมตตาคนต่อมาชอบอ่านคัมภีร์อานสม่ำเสมอใช่ไหมแล้วก็ข้อที่ข้อที่ข้อที่หข้อที่6กซิกรุลลอฮ์กัสรอตุนซิกซิกรุลลอฮ์เยอะๆระหว่างที่ขับรถมาเนี่ยก็ซิกรุลลอฮ์ได้ขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านก็ซิกรุลลอฮ์ได้ใช่ไหมล่ะ ดกรุบ <ess> <t iny> เอาตรงไหนก็ได้สักประโยชน์หนึ่งอัสตักดิลลุณาได้เยอะนะหลายร้อยนะแต่ต่อมากับเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์นะไรสาระออกห่างอย่าไปใส่ใจเดินมาตุยงเจริญนี่ขอเยอะดีใชนะ่ไหมล่ะมีคนเดินแก่พาบางอย่าไปมองลองมองผ่า น, นตาผมลแล้วก็รีดอบิลกาแฟแปลว่า รีสกีที่เราได้ได้แค่ไหนนะพอใจแค่นั้นทมดีๆได้มาน้อยทำดีๆอัลลอฮ์ให้แค่นี้ต้องนึกนี่ดนะ้ว่าอัลลอฮ์ให้แค่นี้นะวันนี้ได้เยอะทมดีๆแบ่งคนอื่นต่อไปอีกตั้งหัวใจเราต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ให้อบรมลูกนะให้ยึดกิตาบุลลอห์และซุนนะท่านนาบีตัวเราเองตัวพ่อด้วยก็ต้องตาลลัม วาฮีที่มาจากอัลลอฮ์พยายามศึกษาหาความรู้นะครับและสุนนะท่านน บ, บีแล้วก็ข้ออีกข้อหนึ่งซาบัตอัลชาาอฮ์จะอดทนต่อความลำบากที่มาประสบกับเราแต่ทุกคนเนี่ยต้องต้อ ง, ต, องต้องประสบหมดไม่มีใครที่ไม่ถูกทดสอบจากอัลลอฮ์ AH นะไม่มีเจ็บไข้ใด้ป่วยเงินทองน้อยลูกคนลูกไม่สบายลูกคนอันเกมบมังอะไรบ้าง อัลลอฮ์มันต้องเขาต้องอดทนหมดเลยนะ่ะแล้วก็มันขออุทิศต่ออัลลอฮ์สม่ําเสมอและอีกข้อหนึ่งให้อาภัยคนเราไม่เคยด่าคนนะ่ะแต่เมื่อเราเลิกแล้วนี่คนอื่นยังเล่นงานเราอยู่ก็มีใช่ไหมมีก็ให้อาภายัยนี่ก็เอาเอารีลานะอัลลอฮ์นี่ฮะดีลของท่านนาบีทั้งหมดเนี่ยที่มาแต่ไม่ได้อเอ่ยว่าบุคอลดีมุสลิมตี่มีดีอบูดาอูเท่านั้นเองนะครับอวันนี้มาอายะที่ ห ah ้าสหนะครับในสุรยาสีอัลฮัมดุลิลฮุมวะอวะจุมฟีิลลัลอัลลอรอิกมุตตะคิอูนฮุมวะอัวะจุม في ظلال على الأراءي متكئون อยู่เอาสับไปก่อนนะหุ้มแปลว่าพวกเขาเหล่านั้นหุよいよい้มพวกเขาเหล่านั้นเรากำลังอ่านคุณอ่านเรื่องคนที่อยู่ในสวรรค์คนที่อยู่ในสวรรค์นะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วเนี่ย วะอัซวาจูหูเขาไม่ได้อยู่คนเดียวนะถ้าผู้หญิงเข้าก็ม่ได้อยู่คนเดียวถ้าผู้ชายเข้าก็ม่ได้อยู่คนเดียววะอัซวามีมีอะไร ม, มีมีคู่ครองอ่ามีคู่ครองด้วยอัลลอฮ์บนนี้อัลญญลอฮ์เล่านะครับไปอานไปเรื่องจริงทั้งหมดอยู่บนดวงยายังมีครูใช่ไหมลนะ่ะ บางคนแต่งบ้างไม่แต่งบ้างทาําดีน้าว่าอัลลอฮ์นั่นก็ผิดหมดเลยพี่น้องแต่อยู่แบบอิสลามอยู่แบบนบีที่ให้รูปแบบไว้อยู่แบบบรรดาซาร า, าบินบีนมีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์เยอะว่พี่น้องต้องอดทนนะนะครับหุ้มวะอาซุวาจูหุมเขาทั้งหลายหุ้มแปลว่าเขาทั้งหลายวะอาซวาจุมและคู่ครองของเ ข, ขาทั้งหลายอาลัลลอฮ์จะลงว่าอยู่ในสวรรค์นเนี่ย มีภรรยาไปไหมมีมีสา ม, มีไหมมีมีกี่คนอ่านจากคัตดิชแล้วเนี่ยสามคนที่มอบให้อะ น, นะหนึ่งภรรยาตัวเองที่ไปจากโลกดุนยาทาเดีเขาสวรรค์พ้องกันแต่มีอยู่คนหนึ่งคุยกับผมผมไม่เอาภรรยาคนคนโลกดุนยาเอาไหมว่า ถ้าเข้าสวรรค์เอาเธอเขาสวยสวยกับดุนยายตังเยอะทำไมไม่เอาเพาเปลี่ยนชายเปลี่ยนใจ <c oughs> ตัวนว่าภรรยาที่อยู่กับเราบนโลกดุนยาเบนี้ถ้าเขามีอามันสอนแล้เหมือนเรานั้นได้ไปสวรรค์หมดแล้วก็แถมไ้อีกสองคนใครรู้ว่าฮูรุนไอนที่เราเรียกกันว่าอานอบิดาอะไริดันดารีนั่นนั่นภาษามรายู่ะแต่ถ้าภาษากุรอานก็ฮูรุไนน ฮาวดนี้แปลว่าโตหรือกลมอินแปว่าตาตากลมตาสวยอะไรเนี่ยฮาวรุนเอนนะฮาวรุนเอนกับภรรยาเราที่ไปจากดุนยาเนี่ยเมื่อเข้าสวรรค์ไปแล้วใครสวยกว่ากันลองเดาดิใครสวยกว่าพรรยาของเราที่ไปจากโลกดุนยาสวยกว่ามีคนถามว่าสวยเพราะอะไร พอร้อยอ่านอัลกุรอานเนี่ยนั่งอ่านกุรอานที่บ้านแล้วก็อาบน้ำน้าตอาบน้า น, น, านาบาตใส่มือใส่แขนเช็ดศีรษะแล้วก็จิกุรุลลออยู่เป็นประจำขอดุทาอยู่เป็นไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยนินท้าคุณเมื่อก่อนอาจจะมีบ้างนะตอนนี้พอแก่หน่อยอายุห0 6 0บแต่บ้าตัวแล้วแมวแล้ว เรื่องชาวบ้านฉันไม่เอาละ น, ะนั่งอยู่กับสามีคุยกันเรื่องดีๆอ่านอัลกุรอานซิกรุลลอฮ์ให้สองคนอีกใครใครไม่เอาก็ได้มีปัญหาแต่เรื่องทะเลาะ ก, กันมีไหมไม่ไ ม, มีพรายาทจะไปไปไปจากดุนยาเนี่ยก่อนที่จะเข้าสวรรค์ในอักุรอานมีอายาหนึ่งบอกว่าวานาซานามาฟีสูดูริหิมเราได้ถอดออกนาซาแปลว่าดึงออก ฟีซูดูริมบนในหัวใจของเขาคนนั้นะ่ะดึงอะไรดึงเอาความโกรธเอาเอาความหึงความหวงความอิจฉาทิษยาที่มีอยู่ที่เอาลอบแปลไว้ในใจคนทุกคนบนโลกดุรยาใบนี้นี่นะพอพอจะเข้าสวรรค์นี่เกลี้ยงเลยศาอย่างอิจฉาไม่มีเรื่องหึงไม่มีหวงไม่มีเอาลอดพี่น้องนี่เอาลอดเล่าในการเพลงเอาลอดไปเรื่องจริงด้วยแล้วก็ภรรยาเนี่ย ที่เราเล่าให้สามคนเนี่ยนะเวลามองไม่เคยมองของบมองมอทางล่างอย่างเดียวเนี่ยมองะกลยๆนี่ไม่ไม่เจ้าชู้อะไรน่ยตาไม่เงืงอแบบรุนยาเนี่ยนะยุนยาโอ้โหตาลอยเลยเห็นหมแต่ท่านสำรวมตมสงบสงเงียบหลอนั่งโลกอักบัเนี่ยนี่เล่าให้ฟังเลยเล็กน้อยๆอยาเข้าเหมือนกันนะ ขออนุญาตตลอดนะครับให้เข้าให้หมดนะพวกเราที่ที่ฟังตัปซีษนี่นะครับฮุมวาอัจวะยูฮุมเขาทั้งหลายและคู่ครองของเขาทั้งหลายอยู่ที่ไหนครับฟีซีลาลินอยู่ในรม่มอัลลอฮ์ี่ขอบคุณอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ให้รม่มให้เราเห็นเห็นร่มเงานะบนดุญญานนี่เห็นแล้วนะดวงตะวันมันอยู่ข้างบน พอมีอะไรมากั้นเนี่ยมันร่มนี่ในสวรรค์มีแต่ดีดีดีกว่านี่อลัลลอฮ์นี่ถ้าร่มร่มเงาไม่มีเนี่ยเราแย่น่ะขณะไปยืนอยู่ในบ้านยังมีแดดส่งไปในบ้านเนี่ยเราก็แย่เนี่ยอลัลลอฮ์ทดให้มานะ่ะท่านมีร่มเงาแต่ในสวรรค์ร่มเงาดีกว่านี้หลายเท่าอาลัลลอฮ์บักบัดถ้า แ, แสงนวลสวยแบบตอนเช้าเช้ า, เอาอย่างนียรออีนี้เนี่ย ตื่นมาพอตะ ว, วันขึ้นได้หน่อย น, นั้นแสงนวันสวยมากเลยทำดู ล, ลินะฟีซิ ล, ลินบปว่าอยู่ในรม่ม <c oughs> อยู่ในร่มเงาแล้วก็อะลาอิรออิกะอะร อ, ออิกลาแปลว่าบนอะรออิกแปลว่าฟูกนั่งอยู่บนฟูกไม่ได้นั่งกระดานแข็งจะนั่งในมัสยิดนี่เรกาก็นั่งนิ่มกว่านี้เยอะ อโ ล, ล่เนี่เล่าให้ฟังเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยนะนั่งอย่างเดียวเนี่ยอโ ล, ล่แล้วก็อธิบายอาญะอื่นเวลานั่งนั่นหันหน้าเข้าหากันไม่ไหันข้างให้หากันหรอกแต่เรืงว่าถูกอกถูงใจคุยกันรู้เรื่องสบายไม่มีผู้สวนคงสวนก็ไม่มีอ็ลอลตัวเรื่องว่าอยู่ในที่รม่มสองนั่งอยู่บนฟูกแล้วต่อมามุตจะกิน เอ็เอกเกนเอกน่ะเอกขนกทํานั่งนั่งนั่งแบบไหนเอกขนเกต้องท่าอยูดิท่านแบบไหนทํานาไหนเอกขนเกท่านนั่งยังไงบายุเอกขนเกนั่งยังไงแบบนั้นี่แหละเออนั่งสบายนี่เอาลอเล่านะเอาใครชอบท่านไหนก็เชิญท่านนั่นแหะเอกขนเอกอ๋อวั ภุมวาสวาจวาุมเขาทั้งหลายและคู่ครองของเขาทั้งหลายฟีวิลาลินอยู่ในร่มเงาสองอลัลอรออีกนอ น, นอนนอนนั่งอยู่บนฟูกหรือนอนอยู่บนฟูกก็ได้มุตตกีนทั้งนั่งหรือนอนเอกขณะอรอวักวัท่าสาบายจริงๆอย่าไปนึกท่านรกนะ ท่านเราเราก็เสียวเลยเราลองตรงกันข้ามกับท่านนรกนี่มุมีิผู้ศรัทธาต่อห็อยู่บนดุญยานี่เราเป็นโตวารีของอัลลอ์พยายามประคองตัวเองไม่ทำบาปรอตอบแทนรางวัลให้แต่คนที่จะชูวกันได้ได้ละสามเนะ้าจะเพิ่มอีกเ้าขอเราให้อีกนะจะเอาแบบไหนให้หมดเลยมีมุสลิมมาถามผมถ้าฉันมีสามีหลายคน คนแรกก็ตายคนที่สองก็ตายคนที่สามตายคนที่สี่ตายแล้วเข้าสวรรค์กันหมดทุกคนเล ย, ยจะไปอยู่กับใครคําตอบนบีตอบดีนะนบีบอกว่าให้เลือกเอ า, อาให้เลือกเอาในระหว่างสามคนสี่คนเนี่ยนะคนไหนที่มารยาทงามที่สุดบนดุนยาผู้หญิงรู้นีสามีสามคนเนี่ยเราคนเนี่ย ดาเก่งบนเก่งคนนี้ขอตาเขามาคอยให้มิหมดฉันเอาเลือกคนนะอัลลอฮฺจะให้เลือกนะเลือกคนที่มีมารยาทงามที่สุดใจดีที่สุดเอามาเป็นคู่ครองในสวนสวรรค์เห็นย่งครับเนี่ยขอบคุณอลัลลอฮฺนะครั บ, บเกี่ยวกับาตาลาเนี่ยให้นบีมามาอธิบายมาอธิบา ย, าบายเรื่องอย่างนี้แหละเรื่องจะเข้าสวรรค์อยู่ไปยังไงนะครับอลัลลอฮฺนี่เฉพาะนั่งอย่างเดียวกับบนบนอะไรนะ นั่งเอกขเอกอยู่ในที่รม่มแล้วก็อยู่บนฟูกด้วยไม่ต้องไม่ต้องลงทุนน่ะเอารถจัดให้หมดไม่ต้องลงทุนถ้าจะอยู่สบายสบายบรรดาต้องลงทุนใช่ไหม่ะต้องไปซื้อนุ่นมาซื้อนี้มาอัลลอฮฺเอาหิ้วข้าวบ้านก่อนหนักอยู่แล้วอัลลอฮฺแต่ที่นั่นไม่ต้องเอารถเอารถจัดให้หมดเลยเพราะไรเพราะเราเหน็ดเหนื่อ ย, ยกับการน้ำมาท่าเวลาเราเหน็ดเหนื่อยกับการอ่านกุรานเราเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลภรรยา ที่ภรยาผูจ้จะไม่กรหูก็ต้องอดทนรออักบับางทีใครทำอะไรไม่ถูกก็ต้องอดทนสะบัดอดทนหมดเลยหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูบาตัในตัปซีดอายาอื่นนะครับในอายาอื่นอธิบายในสุรอัลกาฟีเนี่ยอธิบายบอกว่าคนที่เข้าไปอยู่ในสวรรค์นั้นสวรรค์นั้นมีน้ำ ม, ม, มีแม่น้ำสีใสมีน้ำธรรมดา มีน้ำพึ่งเป็นเลยเป็นแม่น้ำเลยอ่ะแล้วก็น้ำเหล้าแล้วก็น้ำอะไรอีกน้ำนม4ีรายกาเลยเนี่ยเนี่ยจะเลือกเอางเอาแบบไ้นก็เชิญน้ำนมน้ำเหล้าน้ำอะไรนะน้ำพึ่งแล้วก็น้ำธรรมดาอัลลอฮฺอักวารกับในสุรอัลกาฟีนะครับแล้วก็ใส่เสื้อผ้ายังไงชุดอะไรเนี่ย ยู Lord, Finanz, ่ wie, ัลล้วนฟีฮามินอาซาวิรมินนะครับอัลลอฮ์ให้ใส่กําไรทั้งผู้ชมผู้ชายนี่มีกําไรใส่หมดเลยนะบางคนอาจจะไม่ชอบบนดุนยาแต right. hing, ่พอเข้าสวรรค์แล้วมีกำไรใส่สวยมากเลยนะมองแล้วอัลลอฮ์ชื่นองค์ชื่นใจแล้วกําไรนี่ทํามาจากทองนะครับแล้วก็วายัลบซุนนะซียาบันแล้วก็สวมเสื้อหรือสวมอาภร์สีเขียวอัลลอฮ์ สีเขียวสวยนะเจนตาใช่หล่ะแล้วก็มินสุนดุชผ้าไหมด้วยพออยู่บนดอยาเนี่ยผ้าไหมผู้ชายห้ามห้ามใส่นะแต่ภรรยาน่ใส่ได้ถ้าใส่ค็สองคนเหนื่อยนะโอ้ต้องซื้อผ้าไหมสราค้าก็แพงด้วยยิ่งผ้าไหมไทยนี่แพงนะเนี่ยเนี่ ย, เ, ย เ, ลเล่านานกรปีกุณอ่านแต่งตัวเนี่ยชายผ้าไหมแล้วก็สวยด้วยนะแล้วก็สีเขียว มีปักแบบหนามีแบบแบบบางมีเลือกเอาตามตามใจชอบมุตตะกีนั่งนอนนั่งก็ด้วยนอนเอกเนกฟีอาอัลลอรอ์อีกบนเตียงนอนด้วยอัลลอฮ์วะอัลลวันนี้คนไม่เอาศาสนาเนี่ยเขาเอาน้ำอำรมาชาติหมดเลยนะมีโซฟาอย่างดีใช่ไหมไอเราบางทีก็นั่งก็เสือเหมือ น, นเหมือนท่านนาบี นบีนอนนอนนอนบนเสือนะ่ะไซนาอมัดนะ่ะไปเยี่ยมท่านนาบีครั้งหนึ่งไปตอนกลางวันเนี่ยไซนานาบีกําลังนั่งนอนอยู่นะี่ยพอลุกขึ้นนั่งเนี่ยรอยเสื่ออยู่ข้างหลังนบีไซนาอมัดเห็นเห็นรอยแดงแดงร้องไห้อะโอเราสูลบอกเราทำไมไม่ขอมาคนที่ไม่เอาไม่เอาอิสลามนะ่ะที่เป็นกษัตริย์เนี่ยนะเขาอยู่สบาย มีคนต้อนหน้าต้อนหลังมีคนบริการแต่ท่านเน่นอนบนฟูกนอนนอนบนเสือแล้วก็ตาแดงๆนบีตอบไงถูกไหมพวกเขาต้องการรุญนยาอาลัลลอ์ก็ให้เขาแต่ฉันไม่ต้องการชีวิตแบบนี้ฉันต้องการชีวิตแบบอาคิีรอเห็นไหมและชีวิตอยู่เพื่อทำงานศาสนาของอลัลลอ์เชิญชวนคนให้รู้จักอลัอลอลอฮ์ س ب ح ا และว็ุฎหลอัลลอฮ์อักยังนบีเราเนี่ย อ, อัลลอลห์ เปคนที่อลอบอกว่าตกลงว่าอยู่ในสวนสวรรค์นี่นะหนึ่งสวมกำไลทําด้วยทองสวมเสื้อผ้าสีเขียวผ้าไหมละเอียดแล้วก็อะไระปักอย่างหนาแล้วก็นอนเอกเนกบนเตียงเป็นที่พักอ๋อเป็นที่พักอันดีเยี่ยมอล๋อในภาษาคุณอ่านบอกว่าฮะสุนัตมุรตัฟกอ เป็นที่พักที่ดีเยี่ยมเลยบรรเลาสู้ไม่ได้หรอกอัลลอฮฺอักบะดแต่เราอยู่บนนยายนี่อยู่เพื่อประคองตัวเองให้อยู่เหมือนท่านนบีมุฮัมมัดสัลลาห์เราอัลฮุสันละและพูดถึงเรื่องสายตาอีกว่าอินดะฮุมกอสิรอตต์ตฟิออินอัลลอฮฺอัลกบะด์และข้างๆเขานี่นะมีมีผู้หญิงนะนะมีภรรยานี่นะทอดสายตาลงต่ำสงบสงีเหม อัลลอ์มีดวงตาโต Allah, อัลลอ์อัวานี่เล่าภาพในสวรรค์ให้ฟังและเป็นเรื่องจริงทั้งหมดต้องรอว่านะตายก่อนฟื้นขึ้นมาสอบสวนผ่านแล้วจะได้เข้าสวรรค์นะไม่ใช่งานเบานะงานค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับแต่อินชัลลัผู้สัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยตั้งแต่อยู่ในกูโบแล้วไม่ไปถูกลงโทษเท่าไหร่แล้วจะมีมาริกะมาถามไอ้ถามแน่นอนนะครับอย่างนี้ อีกอายาหนึ่งในคุณอา่านอะธิบายบอกว่าว่การจะจกับเราวาชน่าหุมบีพาดในในทํานองนี้แหละเราเนี่ยนะให้เขามีคู่ครองเป็นหญิงอะไรนะหญิงสาววัยรุ่นบริสุทธิ์ดวงตาโตสาววัยรุนน่นด้วยนะเอาเราเป็นภรายาเราอีกครั้งหนึ่งอายุเท่ากันหมดเลยแต่อายุเราในสวนสวรรค์เนี่ยเท่าไร่รู้บ่างสาสิบสาม แล้วก็ความสูงความหล่อเหมือนใครความสูงเหมือนนบีอาดามหกศแล้วก็ความหล่อเหมือนนบีอะไรนบียูซุฟอ่าแล้วหัวใจที่งดงามแบบนบีอะไรอย่ในท้องปลานะ่ยนบีอูนุสแล้วก็ภาษาพูดนี่นะไพเราะมากแบบนบีดาวูดนบีดาวูดนี่อ่านคัมภีเตอรเนี่นกบินไม่บิน บินไม่ออกอ่ะป yes. yes. yeah. ีบินไม่ได้เลยนะฟังเสียงนบีดาวูดเนี่ยรออ่านคัมภีร์ตารอนเนี่ยมือปีกเหยื่อเลยรอบินไม่ออกอ่ะยืนฟังอ่ะบินฟังไปด้วยแล้วก็แล้วก็สนรเสริญอ่านคัมภีร์ตาร้อนตามนบีดาวูดเหมือนกันวันนั้นภาษาของเราที่พูดกับภรยาไพเราะมากครับอายุเท่าไหร่นะ กำลังนุ่มเลยนะสามสิบสามห้ามดูลีเล่อ๋อนี่ถ้าจะคุยเรื่องสวรรค์นี่นะเยอะนะครึ่งชั่วโมงเนะี่ยไม่หมดเอาเล่าเค่นี้ก่อนเอาต่อมาอญญายะที่ห้าสิบเจ็ดล้วหุมฟีาฟากิคตุวะละหุมมายัดดน ล่ะม์ فيها ฟักยาตุว่าลุ่มมาย่ดะงูนอัลลอฮฺอักุรรีซุรยาซีนเน่ยลอนะถ้างจํานมันดีนะแต่ต้องรู้ความหมายด้วยนะอ่านอายาเดียวก็ได้อ่านทวนไปทวนมานอนคนเดียวอ่านอายาเดียวนี่นะอ่านทวนไปทวนมาไแล้วอายเดียวอายไหนก็ได้เนี่ย ละหุมฟ ฟ, ฟีฮะตุวะละุ่ ม, มายดาดดแต้รู้ความหมายด้วยน ะ, ะดูความหมายละหุมสำหรับเขาทั้งหลายสำหรับคนที่อยู่ในสวรรค์จะเป็นผู้หญิงหรือหรือหรือผู้ชายก็ตามนอกจากนั่งเอกเนกบนฟูกแล้วหันหน้าเข้าหาการละมีภรรยานั่งอยู่ข้างๆเนี่ยรอแล้วก็ ความหล่อความสวยร่าหอมกลิ่นหอมตลอดเวลาไปเนาะครับแล้วมีอะไรอีกครับมีของกินมั้ยฟ า, ต, า, าติฮาฟาติฮาแปลว่าผลไม้ถ้ฟาติฮะแปลว่าสุราฟาติฮะเนี่ยต้องฟังเสียงให้ดีนะฟาติฮามีผลไม้ลาฮุมฟีฮะสำหรับเขาทั้งหลาย ในนั้นมีไรละหุมสำหรับภูเขาเหล่านั้นในสวนสวรรค์มีฟากี่ฮะฟากีฮ ะ, ฮะมีผลไม้หลากหลายชนิดในอายะอื่นอธิบายว่ายาตะคอยยาโรนเลือกทานอาหารผลไม้แบบไหนก็ได้และสังเกต น, นะอาหารมาที่หลังแต่พูดเรื่องอะไรก่อนนะผลไม้ก่อน ผมก็นำเอาเรื่องนี้มาใชา้บนดุนยานะทุกครั้งที่ทานจะทานอาหารเนี่ยทานทานผ ล, ลไม้ก่อนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงสังเกตนะสังเกตดูตัวเองเออใช่กินมะละกอสักสามชิ้นนนะกล้วยสักลูกหนึ่งคนนำว่านะแค่นั้นนะคือผลไม้เยอะมากเถ่าทิ่มีอยู่นี่แหละแต่นั้นสวรรค์อย่าโว้ เหหลฮุมฟ ah um ah ีฮาฟากิฮาสำหรับพวกเขาเหล่านั้นนะครับในนั้นคือผลไม้วะละฮุม ah um และสำหรับพวกเขามายดาวนที่เขาเรียกหาหรือต้องการที่เรียกวันนี้เอาเอาเอาชีวิตดุนยาก่อนนะชีวิตดุญญนยาเนี่ยบางทีอยากได้สินบางอย่าง ขอแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลืมมัดมีไหมมีแต่ในสวรรค์เนี่ยเราเรียกอะไรขออะไรอยากอะไรได้หมดเลยเพีงแต่นึกเรียกขอกล้วยหน่อยกล้วยมาเลยแต่อยู่บนดุนยานี่ขอน้ำหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนต้องไปตากเองเพราะเหนื่อยท่านไม่ต้องไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเหนื่อยเลยนะยัดาเราเรียกหาอรอวัดในกุณอานะยักษ์อื่นมีนะ وقالوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا ولكم في الآخرة วาล่คุมมาบาววลุ่มมาตั้ต่างหูวาลกุมฟีฮามาตัดดาูนีเอมี่ทั้ต่ตางหูมีแล้วก็ตัดดาวนมีสองสองไรสองคำที่ท่านอยากในสวรรค์มาเลยที่ท่านเรียกหาอยากได้อยากได้อินอิ น, อ, นอินฟาลามจากประเทศจีนมาเลยอยากได้อินฟาลามอะไรเนี่ยที่ของเราอยู่ ถ้ายเรื่องกางทำเตอใช่ไหมก็ไปจะประเทศไทยอร่อยจ้าอยากถ่าอินพัลามของเตยมาเลยพอมันนึกภาพเก่าๆอยากจะได้อินพัลลามของเตยมันอร่อยดีใช่ไหมพอเรามันคนบ้านๆนะนะจะเอาอาจจว่กับโอลโลวัคบัตโรมากาจริงวันนี้มราจะไปใช่ไหมหมดเสร็จทำามสรอ่าตกลงว่าในสวนสวรรค์นี่กินผลไม้ก่อนนะ อาหารหนักนิดที่หลังนะกินผลไม้ ก, ก่อนผลไม้ผลไม้ผลไม้ลมอลอดไปนอกเอาชีวิตแต่สวรรค์มาใช้ก่อนบ้างไม่ไดน้นี่เลือกกินอะไรหลังอะไรก่อนเนี่ยดีมากเลยครับเี๋ผมทํามานะถ่ายส ม, ม่ําเสมอดีจริงๆเราทำได้เลยเราทําดูนะในผมกกินทับทีนผลไม้ ก, ก่อนนะกล้วยก็ได้ เอาของทูธวงนี่ล้วว๊ยปัจจบันเนี่ยทำไเลยเลยนะมะละกอบอะไรบ้างส้มอะไรบ้างนะครับเอาต่อมาครับละหุมฟีฮาฟากีฮะตูวะละหุ ม, มยดัดดงสำหรับเขาทั้งหลายในนั้นคือผลไมาฟา้ฟากีฮนะอ่าไปน้องฟาคีฮะนะฟาผลไม้ แล้วก็วาลาหุมยาดวาลาหุมมยาดดาวละสําหรับพวกเขาที่พวกเขาเรียกหาหรือต้องการต้องการอะไรก็ได้ทั้งสิ้นอัลลอฮ์ขอปั๊บเนี่ยได้เลยไม่ต้องเหนื่อยด้วยทำอยู่เลยนะนี่คือรางวัลที่อัลลอฮ์มอบให้กับคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ในอายะอื่นในสุรวาวะกิกะอธิบายบอกว่า วาฟกอติมมิมมายะเอยิรูนและผิวไก่มิ่มมายะสตุนเห็นไหมอาหารมีนูอาหารมื้อแรกของชาวสวรรค์นะพอเข้าไปอยู่ในสวรรค์ปั๊บเนี่ยนะอาหารมื้อแรกอะไรรู้ไหมผลไม้ก่อนแล้วก็ตามด้วยเนื้อนกนะ อ, อ๋อเนี่ยเราเล่าให้ฟังเลยนะคนที่เข้าสวรรค์เข้าครั้งแรกเนี่ยนะ ตอนรับด้วยไรนะด้วยผลไม้ก่อนวางเต็มเลยเอ้าเชิญตามสบายพราะทานผลไม้ไม่ใช่ทานเพราะหิวนะต้องเข้าใจใหม่นะทานต้องการอยากจะลองดูว่ารสชาติกับในดุนยาเนี่ยมันต่างกันไหมชื่อเหมือนกันแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนกันน บ, บีสอนอย่างงี้มาลาไอานุนราอัดตาไมเ่เคยห็น เวลาอุซูนุนซาเมอยตหูไม่เคยได้ยินเวลาคนหัวใจของคุณไม่เคยคิดคำหนึงมาก่อนว่าอัลลอฮฺอักุบะดชื่อองุนแต่กินอัลลอฮ์ทางรูปรูปก็สวยกว่าผิวก็สวยกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ชื่อเหมือนกันแบบอย่างเนี้ยอทำดูดีเลยดีอาทำดูดูแลไปน้อมรอเข้าสวรรค์กันนะอเอาต่อมาอายาที่ห้าสิบแปด พกินแล้วก็มีอะไรอีกไปนองครับซาลามุนกาวลัมิรบิรฮีมอันนี้สำคัญที่สุดนี่ข่าวแล้วมีมีระย์ภรรยาใ่ไนั่งกันอยู่กินผลผลไม้อิ่มแล้วแล้วก็มีเสียงมาซาลาแปลว่าสันติอัสลามอะลัยกุ่มนะ แต่อัลชาแฺ่สาลา ม, มีเสียงอัาลามฮฺโมเลกุมเสียงสันติเข้ามาอธิบายยังไงเสียงของใครบางทัศสียอธิบายว่าเสียงของอัลลอบางที่บอกไม่ใช่นี่เป็นเสียงของมลลอยกะที่ให้สาลามให้สาลามกับคนที่อยู่ในสวนสวรรค์ทั้งหมดสาลามุนอัลลอฮุอบดอ่าดูต่อไปกาลันอัลลอเป็นพระ ดัมรัสเป็นคํากล่าวจากใครครับมิรอบบิรอฮิมินแปลว่าจากรบบินพระผู้อาภิบาลอัลลอฮ์รอฮิมุนผู ah ้ทรงเมตตาเสมอเใช่ไหมแต่จำว่าเสียงมาจากไหนมาจากอรลโลเสียงมาจากกอร์โลอัลลอฮ์เนื้อเชื่องใครอ่ะที่อยู่บนดุนยานี้อัลลอฮ์ตัดด้วยเนะี่ยนบีอะไรอนึกออกไหมนบีอะไร มูซาอะเฮิสลาไปอยู่ออกจากประเทศอียิปต์หนีไปกี่ปีสิบปีเลี้ยงแพะเป็นมหัศนะ8ปปีแล้วแถมมาอีกสองปีเป็นสิปีได้ภรรยามาคนหนึ่งพาภรรยากลับประเทศอียิปต์ระหว่างทางมันหลงทางด้วยหน้าหนาวด้วยเห็นไฟบอกเธอนั่งอยู่คนนี้นะฉันจะไปเอาไฟมามาทำความอบอุ่นต่อร่างกายพอไปมีเสียงอลัลลอมา โมซาเสียงแบบนี้หรือาเราก็ไม่รู้นะโมซาฉันแต่งตั้งท่านให้ไปสอนอิสลามกับเหยังมีเสียงอลัลล์ฉะนั้นนบีโมซาคนเดียวที่ว่ากาลีมุลลอัลลอ์ตัดตมตมกับนบีโมซาอะลัยฮุสาลสามแต่โมซาเขาังอยากอยากอยากเห็นหน้าอัลลอฮ์ได้ยินเสียงอยากอยากเห็นหน้าอัลลอ์จังเลยแล้วว่าเห็นฉันไม่ได้อยากนะ้าอ้าวดู ตามองไปที่ภูเขาเน่ยพอจ้องมองไปมีแสงมาพอแสงออกมาปั๊บเนี่ยสลบเลยพอฟื้นจากสลบฉันยอมแล้วฉันกลัวแล้วไม่เอาแล้วไม่เห็นไม่สามารถเห็นพระพักอัลลอฮ์ได้บนโลกดุนยาไปนี้ถ้าจะเห็นอัลลอฮ์ตั้งเมาลายครับต้องเข้าสวรรค์ก่อนอัลฮัมดุลิล่านี่ไม่ได้เห็นนนี่ฟังฟังเสียงอย่างเดียวนะ ส e ัลลมุนกาอุลามิรับบิรฮิมเป็นวาสันติเป็นพระดํารัตหนึ่งกาอลเป็นพระดํารัสเป็นถ้อยคําเป็นคําพูดมิรบจากพระผู้อภิบาลรหิมินผู้ทรงเมตตาเสมอนี่เป็นสิ่งพัดของอัลลอฮุ سبحانه และ تعالى เนี่ยเาเล่าตรงๆนะจะมีเสียงซาลาลรอทานหูเนี่ยชื่นใจพี่น้องรอเสียงตามกระเสียงเพลงนะเสียงดนตรีเพลงแซบหูอยู่บนตุ้าเนี่ยฉันคนที่ฟังเพลงเยอะๆเนี่ยไม่ใช่คนดีหรอกนะแต่ฟังกูอ่านแต่เป็นคนดีก็นึกถึงคนญี่ปุ่นที่เอาเอาเสียงเพลงไปให้น้ำฟังยชงไหมล่ะโมเลกุลน้ำที่ออกมาเน่เสียงเพลงไม่ดี เสียงดนตรีนี่ไม่ดีเสียงอ่านกูนอ่านกับเสียงอะไรนะเสียงซิกรนะุลล่อน่ะเป็นโมเลกุลน้ํำออกมาสวยมากเลยละทำดูเลยเลยรับอิสลามตอนหลังรับรับอิสลามอะเพราะว่าจำนวนไปไหนไม่รอดอัน <laughs> นี้เป็นต้นในอายะอุสรอาอาซับมาทิบะบอกวา่าตาฮียาตาฮุมยามายาลกาวนะคนที่อยู่ในสวรรค์นี่นะอัลลอฮฺจะ กาวตะหิยะมาถึงกาวสลามหรือกลาวคำนับกากาวทักทายนะครับเป็นการคำนับเป็นการทักทายของพวกเขาเยามายศยศกาวนาหูในวันที่พวกเขาพบอัลลอฮฺสุบฮานาหูอตาลาเสียงมาก่อนใบหน้ามาทีหลังมาเสียงก่อนครับ แ, แค่เสียงอย่างเดียวก็อบางบัหายทุกข์ละ ก็ยังทุกในใจมันมันมีอยู่แล้วอัลลอฮ์ถอดออกหมดนะเขฟังเสียงเลยมันรื่นหูอัลลอฮ์เนี่อัลลอฮ์เล่าไปเรื่องจริงทั้งหมดสาลามุนอัลลอฮ์ว่อัล ด, ดาลฮุมอัจรอร์กริมเนี่อายะอื่นนะอัลลอฮ์ได้ทรงเตรียมเอาไว้สําหรับพวกเขาซึ่งรางวัลนั้นมีเกียรตินเตรียมไปสําหรับชาวสวรรค์ที่เนตเนื้ออยู่บนดุนยาให้อภัยคน เดินมานมารที่มัสยิดอันคร์อานสม่งเสมออัลลอฮ์มีเงินกับบริจาคดูแลดูแลลูกเหนื่อยไม่เหนื่อยครับพี่น้องรางวัลในนี้อัลลอฮ์ให้ตอบแทนให้เป็นอยู่ในสวนสวรรค์แล้วก็มีเล่าให้ฟังรายละเอียดแต่พี่น้องเสื้อผ้าก็สวยอาหารก็อร่อยกินผลไม้ก่อนก่อนกินอาหารหนักอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องธรรมชาติบนดุนยานี้บางส่วนนะเราห้มดยเด็ดแล้ต่อมาอายาที่59าพี่น้อง วันตาซุลยามไอ้ยูฮัล مجرم ุนโอ้อายาดีดีครับวันตาซุลยามไอ้ยูฮัล مجر มุนอัลลอฮฺเอาสับไปก่อนวันตาส จงนเป็นเป็สั่งนะจงถอยออกไปสั่งใครสั่งคนชั่วสั่งคนชั่วตอนนี้อยู่บนดุยาเอาภาพบดุยาก่อนนะคนดีคนชั่วอยู่ปากคนกันใช่ไหมไม่รู้ว่าใครดีใครชั่วอยู่ด้วยกันปากนบางทีบ้านหนึ่งมีสองศาสนามีไหม อีกคนเองเป็นมุสลิมอีกคนเองไม่ใช่มุสลิมอยู่ด้วยอยู่อยู่อยู่ด้วยกันนิกายปากเปล่ปาเห็นไหมแต่มีลูกออกมาแล้วก็บางคนโทรศัพท์มาปรึกษาอาจารย์เนี่ยทำยังไงเนี่ยลูกจะไปทางไหนเนี่ยแต่งหนิกายังยัง อ, ล, อลูกอีกคนสามนี่อายุเทา่าไรยี่สิอเนี่ยอาบตามาเต็มเลย รันวันนี้ในวันกียร์มานี่นะฮะรอเล่านะวันตันทรยาว์วันนี้จงถอยออกไปอยุฮัลมูเจริมูนอายุแปลโออัลมูเจริมูนผู้มีผิดทั้งหลายเอ็งถอยห่างๆไปเลยปล่อยให้คนมุหมินยืนอยู่ตรงนี้ให้มุหมินนั่งอยู่ตรงนี้คนกาเฟ่ถอยออกไปหมดถอยถอยไปถอยไปถอยไปถอยไป แม่แม่อยู่คนกันทีตัปสีตอธิบายเนะนี่ยตัปสีอัษฎานุบายานเป็นภาษาอังดูอธิบายบอกว่าเขาแบ่งกลุ่มออกเป็นหกกลุม่มแบ่งกลุ่มออกเป็นหกกลุ่มนะมกลุ่มหนึ่งกลุ่มยิฮูดีกลุมกล่มหนึ่งแยกต่างหากเลยกลุ่มยิฮูดีอยู่ตรงนี้สองกลุ่มคริสเตียน นบถือศานาอีสานอะันบดอีสานนะเพาอีสาเป็นลูกอลรถนะยืนตรงนี้ไม่ให้ปนกันและอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่บูชาพวกซอบินซอบินไม่ทราบกลุ่มไหนผมก็นั่งเช็คดูก็ไม่รู้กลุ่มไหนนะก็มีกลุ่มหนึ่งแล้วมัใช่มุสลิมหรอกแล้วก็กลุ่มมายูซีกลุ่มที่บูชาไฟเนี่ยบูชาไฟเนี่ยวันนี้กลุ่มมายูซีไฟอิทธิพล น, นะ อะไรนะกีฬาทุกชนิดตกเอาไฟมาหมดเลยจุดไฟจุดเพลิงใช่ไหมวิ่งนันล่นั่นนัน่ะมาอยู่ซี่ใครกําหนดมาผลตะวันตกนี่นะให้วิ่งถือคบเพลิงใช่มั่นล่ะนั่น่ะนัมาอยู่ซี่น่ถ้ามุสลิมต้องนึกเยอะโอ้ยางงี้เราทำได้ไม่ได้ก็นึกไรก็แล้วกันนะพยายามหลีกเลี่ยงก็แล้วกันตัวเาก็มีกลุ่มยิวฮูดีกลุ่มหนึ่งกลุ่ม กลุ่มที่น้ำถือนน้ำอีซาในกลุมหนึ่งกลุ่มซอบียน อ, อีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สี่กลุ่มมายูซี่แล้วก็กลุ่มที่ชอบทําดินาบนโลกดุนยาไม่ยอมนิกา้าเดี๋อาภรยามาอยู่โดยไม่ได้แต่งงานประโยจานีเนาซุบินลย์ยังจ่าเล็กถามว่านิก้ากับไม่นิก้าเนี่ยมันลาบากตรงไหนเอานิกา้าลงทุนเยอะไหมนิก้าเนี่ย อย่างที่คองแคสเนี่ยผมก็ผมพยายามทํำมานังให้ดีกว่าน่อยผมขอเอาหลังนมาสุโบรได้มไหมใหม่ๆในอุดอัตอาจารหลังสุโบรเลยนะบอกครับผมไม่ว่าองเวลาอื่นเอาได้ได้ไดเราต้องการจะเตือนเจ้าเบาเจ้าสาวอ้มาดามาสุโบรที่โซราด้วยแต่หลายคู่นะผมว่าจัดผมว่าผมตั้งใจนะให้เขาเลือกเวลาสุโบรผมตั้งใจมีไหมมีครับ ถ้าต้องการเราให้อ่านกุฎบ้านนี้ก็นะผมขอนะืมาสุโบนอกจากเขาจะโจงมาขอหลังนื้อมาบ่าอันนี้ก็อีกเรื่องห น, นึ่งก็ส่วนใหญ่ผมจะให้ผมเลือกผมจะเลือกหลังนื้อมาอะไรหลังนื้อมาสุบ<ว>ทำนะินึงตัพวกทำดีนาในกลุ่มที่หกนะกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ห้าสิกลุมกล่มที่เจบคนที่ติดติดของมือนเมาทุกชนิดมุดมินมุคัมเรน ดื่มเบียร์ ด, ด, ดื่มเหล้าดื่มกัญชงกัญชาดื่มเฮโร อ, อีนทั้งหมดเ น, นะนี่ยนะในอีกลุ่มนึ่งต่างหากเนี่ยนะนอกจากเตาบ้าตัวโ ต, วตวอ๋อถ้าใครก็ตามใจพี่น้องครับดื่มเบียร์ดื่มเหล้าจกนกระทั่งตายทําินาจกนกระทั่งตายก็เป็นมยูซีจกนกระทั่งตายอยู่ในาศนาสนาโซบีอีนจกนกระทั่งตาย นับถือนบีอีซาเป็นพระเจ้าเป็นลูกอัลลอฮ์ยอกระทำตายและย์ฮูดีที่ดีไหมเลย์ฮูดีที่มีศาสนาก็เยอะที่แอนตี้อิสลามนี่กลุ่มนี่แอนตี้อิสลามหมดเลยนะอเราจัดเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุแยกกันให้หมดอาวมตาซุนเยาคนชั่วทั้งหลายวันนี้แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มกลุ่มุมเมนต์ก็อีกกลุ่มหนึ่งต่างหากแต่ไม่ต้องเอ่ยไปที่เข้าใจก่อน วัตะซุนเยาจงถอยออกไปจากถอยออกไปจากผู้ศรัทธาจากมุมินจากมุตตีนเอาลิยาอุลโลนะครับโอ้อาวัลมุจรีมูโอ้ผู้มีความผิดทั้งหลายอัลลอฮฺนะคร มันจะอายะมีอีกสองอายะอีกนะครับพูดซ้าไปซ้ ม, มาอีกสองอายะอายะไหนบ้างครับวยมาตะกูมุอุยาอมอิยะตฟรักูุรารมอายะที่14ในอายะอื่นอธิบายเหมือกันว่าแยกกันเป็นเรื่องจริงอยู่บนดุนยาเนี่ยแยกกันไม่ถูกใช่แต่ว่าคนที่แยกตัวในดุนยานี่มีไหมมีคนระดับ รวยรวยบริหารเอาอยู่ไปก็ไม่ว่ากันก็เชิญตามสบายแต่เองไม่นมานเองเจอเองไม่ จ, จายสกัดเจอเองไม่ฟิกคุรุลเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะดังนั้นวันเกียรมานี่นะครับจะแยกเป็นกลุ่มกลุม่มอยายัดที่สองก็คือวยามาตะกูมุสอาตุยามาอิยะตฟรกูวันเสื่งยามอาวสาน จะมีขึ้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนั้นพวกเขาจะกระจายรวมกันไม่ติด่าจะกระจายว่อนรวมกันไม่ติดคือแว่าอยู่เป็นกลุ่มใครกลุ่มมันธรรมดามันปนกันใช่ไหมล่ะมีแพะกับหมารวมรวมกันก็มีนะแต่วัานี้ามาแพะก็แพะอย่างเดียวหมาก็หมาอย่างเดียววัวก็วัวอย่างเดียวไม่ไม่ปนกัน ตการจะบอกว่ามนุษย์อยู่บนดุยานี้ปะพกันนาอยู่ด้วยกันได้นาถึงิยากรอ่านที่อะเนี่ยอัลอาคิลลยามอิมบางดูมลีบดอดูอิลัลมุตตะกนอัลลอฮเราจำไมได้แคงท่องจาอัลอคิลลัการเป็นพี่น้องกัน การเป็นพี่น้องการช่วยเหลือกันดูแลกันบนโลกดุนยาใบนี้อัลอาคิลลายามาอิรินในวันนู้นในวันกียร์มาเนี่นะบาดูฮุมลรอบาดินต่างเป็นศัตรูอดูนเป็นศัตรูซึ่งกันและกันนี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังใครที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้นะจะเป็นอ า, อาพักการเมืองอาฉันต้องพักนี้ อยู่กับภาคนน้นไม่ได้ยกตัวอย่างนะพรรคโนนพรรคนี่สนับสนุนกันกาดูแลกันเงินการทองกันอะไรกันนะวันนั้นจะทะเลาะกันหมดจะขัดแย้งกันหมดจะเป็นศัตรูกันหมดอิลมุตต์ตีนยกเว้นอ่าคำว่าอิลลาในอิมามชัฟฟีอธิบายอย่างนี้นะหลังจากอิลลาเนี่ยจะมีนัยยะความสําเร็จ ที่มีอิลลาทั้งบดในในกาเฟคุณอ่านเลยนะบาร์ดาอิลลาหลังจากอิลลาแล้วจะมีของดีให้คุณให้คุณฟังอย่างเนี้ยลาอิลาฮ์อิลลาอัลลอฮ์บนโลกดุงดาใบนี้ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอลัลลอฮ์นี่อิลลาอิมามาฟีรฮิมุลลอฮอิมามเรานี่แหละเราก็ไม่เคยเห็นหน้าเลยนะท่านเขียนหนังสือเอาไว้ท่านหลังจากอิลลาเนี่ยสังเกต นั่นคือรางวัลคือการปฏิบัติตัวที่ดูที่ดีที่สุดละ il all อีหละอินละลอ a, อัลลอฮฺอัลลอฮุอลัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลัลอฮฺอันลลลอฮฺอัลอฮลลอฮฺอัลอฮฺัลลออัลลัลลอฮอัอฮฺอัลลอฮัลลออัลลัอลอัลออลอลฮัอ ทีบ่บางชาไม่เราไปอ่ลเลมใหญ่นะเาอักบัแล้วก็เลือกเลือกเรื่องที่ท่านพูดเอาไว้เก็บประกุณอ่านเนี่ยนมาอธิบายให้ตัวเองฟังให้พี่น้องฟังต่อมาครับยามาอิยสดุนนะสุรารมอยายะที่43อีกยามาอิยสดน ในวันเกียร์มาพวกเขาจะถูกแยกออกเป็นสองพวกคือพวกดีแล้วก็พวกชั่วอลัลลอฮ์ให้ยังครับในครุรานอย่างน้อยมีสามครั้งนะว่าจะไม่อยู่รวมกันจะต้องแยกออกจากกันนะครับจากอุลามฮอีกท่านหนึ่งอธิบายว่ามนุษย์แยกออกเป็นกี่กลุ่มนะ หกลุ่มกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มยิฮูดีกลุ่มนั ส, สรลนีกลุ่มซอบีอินกลุ่มมายูซีกลุ่มซานีคนทําซินาแล้วก็ไม่ยอมต่อใาตัวแล้วก็กลุ่มดื่มเหล้าดื่มคับดื่มเบียดื่มของมึนเมาไม่ยอมต่อใาตัวจะกท็ท้อตายนี่อีกกลุ่มลฮัมดุลิลละทูลลงว่าในวันเกีย่ยมานี่อัลลอฮ์แยกเอาคนชั่วออกไปอยู่จะเกลุ่มคนศรัทธาต่ออลัลลอฮ์เทนั้นเองละฮัมดุลิลละ ท่านเราเนี่เป็นมุ่มินนะที่รู้จักใครบนโลกดุรานะเป็นวันนั้นจะพบหน้ากันหมดเลยนะคนรู้จักคนเยอะๆใช่ไหม ม, มีมีอฟริกามีมีอินเดียมีปากีสถานมีอลัลลอฮ์เป็นคนดีๆอยู่ด้วยกันเพื่อมใจเหมือนกันนะคนจะเรียนต่างประเทศนะพวกเยอะใช่ไหมท่านพบกันหมดเลยฮัมจุลิแ ล, ล้มวมาชอบเราฮัมจุลีแ ล, ล้วเอาอาญะสุดท้ายไปนอนครับ อาดัมอาฮะดลัยคุมยาบันิอาดัมอัลลอ عبد ุอิสลิขานอินนัหูเลคุม ع د و و و ب ินอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลอฮฺอัลอาฺอัลลอลลออัลลอลาออัลอัลลอฮฺอัลลออัลลอลลอฮฺอัลลอฮฺอออั คนแรกนรืองัมเนี่ยย่างนตเดือนอัลลออาฮฺดอิลัยกุมย์บานีอัตมอัลลาตับดุอชัยตันอินนัหูละกุมอดุมบินอัลลอฮฺอักวัลอลัมอลัมแปว่าไม่ใช่หรือ อาฮัดสัญญาหรือว่าคำชับฉันไม่ได้ทำสัญญาสัญญาอสัญญาฉบับแรกเออความจริงเรานี่นะทำสัญญากับอัลลอ์ไว้นะเองจะรู้หรือไม่รู้เรื่องของเองแต่อัลลอ์เล่าให้ฟังอาลมอาฮัดอลิลกุมฉันได้คำชับสู่เจ้า หรือว่าฉันได้ทําสัญญากับสูเจ้ายาบานีอาดัมฉันไม่ได้ทําสัญญากับสูรเจ้าหรือยาบานีอาดัมลูกๆของอาดัมเอ่ยพวกเราวันนี้ยาบานีอาดัมมาถึงลูกหลานของอาดัมพี่น้องทราบไหมว่าหลังจากนาบีนุ่ง ขึ้นเรือเนี่ยมีลูกนบีนัวอยู่สามคนนะที่เป็นคนดีนะ 1, 3, 2, หนึ่งามสองฮามสามยาฟิสลูกนบีนัวที่เป็นคนซอแรกนะขึ้นเรือนะนกนั้นจมน้ำตายหมดนะพ่อไม่อัลลองอ์อ่ะใช่ห้ฮาม 3. ามยาฟิสนี่นะเป็นฮามมาถึงกลุ่มกลุ่มกลุ่มอาหรับแล้วก็ฮามเนี่ย กลุ่มเอ่อกลุ่มแอฟริกาลักยาฟิสเนี่ยพวกยุโรปเราได้กลุ่มซามนะเราเนี่ยเป็นลูกหลานของนบีนัวชื่ออซามซามฮามเนี่ยแอฟริกายาฟิสเนี่ยพวกยุโรปก็มีสามผิวใช่ไหในโลกนี้ก็มีแค่นี้แหละแต่เรานะ่ยต้นตะโกเราเป็นคนดีนะขึ้นเรือนบีนัวนะลูกนบีนัวนะลูกหลานนาบีอาดัมหมดเลยอ ออลคุมยาบัีอาดฉันไม่ได้กำชับฉันไม่ได้ทสัญญากับสูเจ้าดกหรือลูกของอาดเอยสัญญาวไงครับอลลบปจงยบูชาตะบุปลว่าบูชาหรือกราบยาบูชายากา หรือปฏิบัติตามก็ได้ครับคับอธิบายนะนะอย่าบูชายากราบหรืออย่าปฏิบัติตามไซตอนตัวมารตัวไซตอนเอาไชตตอนนี่ถูกสร้างมาเหมือนเราใช่ไหมแต่เรามองไม่เห็นตัวแล้วก็ยินอีกใช่ไหมถูกสร้างมาเรามองไม่เห็นตัวมาลาอิก้าก็ถูกสร้างมาเหมือนกันแต่มองไม่เห็นตัวแต่เราเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่มองเห็นตัว แต่สามรายการนั้นเรามองมาเห็นแต่สามรายการนั้นสา ม, มารถมองเห็นเราเราแพ้อยู่แล้วถ้า ต, ต้องต้องเท่นั้นกับกับไซต์ตอนนี่นบีห้ามด่านะอลัลลอฮ์สั่งนบีใหนบีมาสอนว่าอยาด่าไซต์ตอนยาด่าซต์ตอนไซต์ตอนเลวยาอย่ยิ่งดามันยิ่งขึ้นโอ้แปลกนะยิ่งดามันยิ่งขึ้นให้ทํำไงรู้เปล่า ให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺให้ขอว่าไงเอาลญูบิลไลมินัสไซต์อนิรยีบนี่แหละเป็นประโยคที่ดีที่สุดเขาก็แนะนําอุลมามะแนะนำอย่างเราไปบ้านเพื่อนเขาเลี้ยงหมาก็อยู่แล้วก็ใครหมาไมก็เห่ายืนหน้าบ้านมันเห่าแล้วคนที่จะให้หมาไม่หเห่านะใครเจ้าของบ้านคนอื่นไม่มีทางหรอกมันจึงเห่าอยู่นั่นแหละเจ้าของบอกเอย ได้ยินเสียงมันจําเสียงได้หยุดเลยอัลลอฮ์ก็เหมือนกันอัลลอฮ์รีสั่งบอกว่าอยาดาชัยตอนย่าด่าภรรยาพูดง่ายๆนะอย่าดาพรรยาเองนะชัยตอนพูดไม่ได้ลูกๆก็เหมือนกันอย่าไปด่าเยอะยาดาพี่น้องถ้าลูกไม่ดีก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ลูกเป็นคนดียาดาคณะชัยตอนไม่เห็นตัวยังไม่ให้ด่าใช่ไหมล่ะให้ข อ, อได้ อซุบิลลฮิมินัตนิรยมฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากตัวมารที่รายยิมถูกสาบแช่งอัลฮัมดุลิลลทีนี้ต้องการจะอธิบายว่าสัญญาฉบับแรกที่ทำขึ้นน่ะวิญญาณของเราน่ออกมาจากคือให้นบีอาดัมนอนอยู่นะแล้วก็มีฮมบรลก้ามารูปหลังสองทีเนี่ยนะ ครั้งแรกเนี่ยออกมาเป็นวิญญาณสีขาวรว่หมดเลยนะอาวะและ้วก็ลูกอีกทีหนึง่งวิญญาณสีดำแล้วต่อมาอลัลลอฮได้เรียกประชุมวิญญาณทั้งหมดที่บอกว่าอัลัตบิรบบิุมอ um ัลัตบิรบบิุมฉันนี่ไม่ใช่เป็นพระผู้อภิบาลของพวกเท่าหรือในตับซีรษฐ์อจากหนังสือฟัตุลกอดิสนะอธิบายดีนะก็บอกว่า ว้ทั้งเอาพระเَ้าขอَคุณจาก ن รรดานาดัมจากหน้าของพวกเُาจากลูกห ه านของพวกเขَแล ه ฉันเห็นพวกَขาและฉันเห็นพวกเขาบนตัวของพวกเขาเราอยู่ในพระเจ้าของَุณพวกเขาบอกว่าไม่ฉันเ ل ็นเ ي َคุณจะพูดในวันอุทกินาคุณจะเห็นเราในวันนี้อธิบายว่าคืออัลลอฮ์ให้บริการในรูปหลังของอาดัมวิญญาณออกมาหมดเลย และอัลลอฮ์เรียกวิญญาณทั้งหมดมันประชุมอัลลอฮ์ถามบอกว่าอัลลอสตูบีรอบบีกุมฉันนี่ไม่ใช่เป็นพระพูอภิบาลของพวกท่านหรือกอลู ala, บัลาวิญญาณทุรวนบอกว่ากอลูบ ah ัลาชาฮิตนาเรายืนยันว่าร่างท่านนี่เป็นรอบของพระพูของพวกเราจริงๆเพราะว่าวิญญาณเห็นอัลลอฮ์แล้วต่อมาวิญญาณกลับมาอยู่ในร่างมนุษย์เหมือนเดิมนี่ครอยู<ม>่ในร่างเรามองไม่เห็นน่ะมองไม่เห็นอัลลอฮ์ แต่นบี ม, มาสอนว่าเบื้องหลังของความสําเร็จนั่นคืออัลลอฮ์ไอนั้นจะทําอะไรในถึงอัลลอฮ์ให้หมดจะกินอาหารบิสมิลลาห์จะออกจาก บ, บ้านอสลามาเลายกุ้มขออัลลอฮมีเบื้องหลังคือความส่วนของอัลลอฮ์ถ้าบุถึงจะไม่เห็นอัลลอฮ์แต่ว่าโลกวิญญาณ เ, เราเห็นอัลลอฮ์มาแล้วแล้วก็ยอมรับว่าอัลลอฮ์ในเป็นพระผู้อวยพรของเราจริงพอเข้ามาอยู่ในร่างเหมือนเดิมอ่แล้วเริ่มทรยศทรรุบานผู้พิทาล้ เอาต่อมาครับตัวร้องว่านี่เราเนี่ยทำสัญญาฉบับแรกกับอัลลอฮ์ไว้นะจากกุนารนะเราเองอาจจะไม่รู้จากอ่านกุนานเข้าใจเลยสุร้อนเนี่ยสุร้อนอารอาฟอายาที่ 1, หนึ่่งร้อไปเปิดดูนะสุร้อนอารอฟอายาที่172ว่าเราทําสัญญาฉบับแรกกับอัลลอฮ์ไว้ขณะที่เรายังไม่จะเกิดมาเป็นมนุษย์ขณะที่เราอยู่ในอาลัมอารวาโลกแห่งวิญญาณนะครับ อาัมอาลัมอาฮาดีลัยคุมยาบนีอาดัมฉันไม่ได้คำชับสูเจ้าดอกหรือฉันไม่ได้ทำสัญญากับพวกท่านดอกหรือยาบนีอาดัมลูกๆของอาดัมเอ๋ยอัลลาตาบูดูชซกอนจงยาบูชา อย่ากราบยืบอย่าปฏิบัติตามตัวมานสัญญากันแล้วว่าจะยึดเอาล้อองเดียวใช่ไหม่ะแล้วมากราบใส่ตอนทําไมบนโลกดุจยาไปนี้เพราะดุจยามันอร่อยนะใส่ตอนมันมานในเสียงเพลงอร่อยไหมเสียงดนตรีมันไหมอะไละครมันไหมทําให้ฟังศาสนาเลยอร่อยหมดเลยดัดทะเลาะกันอร่อยจริงๆ เําทำซีนาอร่อยจริงๆโหอเหไหมถ้าไม่เรียนศาสนาอย่างเดียวนะไชตอนลากหมดเลยครับศาสนาเป็นตัวประคองนะครับอิมานอิมาเป็นตัวประคองอินนฮูลาคุมอดูมูบีนแท้จริงอินนฮูแปลว่าแท้จริงฮูเนี่ยแปลว่าสชตอนละกุมสำหรับพวกท่านอดูวุนแปลว่าศัตรูเอนมอ่า เป็นศัตรูนะครับมมบินนี่แปลว่าชัดแจ้งเลยเป็นศัตรูตัวยงก็ได้ของสูรเจ้าเป็นศัตรูตัวยงของสูรเจ้าเห่นไหมครอ่านพูดชัดฉะนั้นอยู่กัใช้ยตอนมีจะขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาดทุนอัลลอฮก้ชยตอนอยู่ที่ไหนในบ้านเรานึกออกใช่ไหมอยู่ในซ่วมพาชายตอนเข้าบ้านทำไงยอย่าให้สลาม ข้าบ้านเฉยๆบ้านฉันเนี่ยก็เชิญสิใครไม่เข้าไม่ให้สาลามเข้าบ้านเองพาจำอาชัยตอนพาไปไม่รู้ว่ากี่ร้อยตัวเราก็ไม่รู้แล้วไปอยู่บนที่นอนท่านนอนกับภรรยาไม่อ่านดองชัยตอนนอนร่วมด้วยมันมันมันมันมันดีตรงไหนอ่ะท่านอยู่กับเลา นี่ถ้าลูกใช้ตอนร่วมนอชตัวนันที่จะเป็นนูนเป็นนี่ตัวน้องอับัตเต้นไปหมมันกระทบเยอะกว่าพูดอย่างนี้นะฉันอ่านบิสมิลลาบ่อยๆอาิิลลาห์บ่อยๆน้าอออนะขออาตอลอ ข, ขึ้นรถขึ้นรถนึกถึงอลัลลนะอ์นะฮมดลิลออ่านอีเที่ยวนะอลมัมอาฮะไลคุมยบนีอาดัมฉันไม่ได้กำชับฉันไม่ทำสัญญากับพวกท่านดอกหรือ ยาบานีอาดัมลูกลูกของอาดัมเอ๋ยนัอัลลอฮ์ให้เกียรตินาะเอ๋ยถึงพอ่อเราก่อนนะลูกอาดัมเอ๋ยอัลลอฮ์ตาบูดุชัยกอนจงอย่าบูชาจงอย่ากราบจงอย่าปฏิบัตตามชต์นอัลลอ์ยังสั่งห้าไม่ให้ดาไตออีกเห็นยังครับอัลล์ บ, บังวั อินนหูละกุมอาดูมูบินแท้จริงไชตตอนเป็นศัตรูตัวโยมของสู่เจ้าอัลลอฮหเบอบแล้วก็อีกอายาหนึ่งนะครับในคุรุอ่านนะครับสุรามัตยามอายาที่สี่ส4บสี่อินนัสไซต์นะครับนัลิรรฮ์มานีอัซียะเพราะไชตตอนนั้นเป็นผู้ดื้อรั้นไม่เชื่อฟัง พระผู้อภิบาลผู้ทรงกรุณาประนีไม่เชื่ออัลลอฮ์เลยชตอนแต่อัลลอฮ์ก็ยังเก็บเอาไว้ขอชาตอนขอต่ออัลลอฮ์ว่าให้มีชีวิตอยู่จนวันเกีย่ยวมาอัลลอฮ์ให้อะเป็นยัง อ, งอ่ะแสดงว่าเราเนี่ยต้องการจะอธิบายว่าเวลาขอจากอัลลอฮ์ขอตรงๆอย่าขอผ่านโต๊ะตะเกียรพรณะชายตอนนั้เลวสุดใช่ไหมขอว่าให้สารอยู่กับคู่กับมนุษย์ เราถาวอยู่บระเจ้่นดันจันหลอรวงมนุษย์เราอย่างไงเอาเอาไปเพราะฉะนั้นทำการจะสอนว่าไซต์ตอนมันเลวกับเราตั้งเยอะเวลามันขอมันยังขอตรงกับอเลาเลยและเราเนี่ดีกว่าชซต์อนตั้งเยอะถ้าไม่ต้องขอผ่านละ่ะผ่านหมอดูผ่านนั่นผ่านนี้ผ่านนี้ผ่านนั่นขอตรงตรงกับเลาเลยนะครับพี่น้องหมดบมดเวลาครับ ระยางนั้นก็เล่านิดหนึ่งว่าเด็กนี่นะที่คลอดออกมาเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดหมดแต่อยู่ไปอยู่ไปใครใครทําให้เป็นยาวูดีพ่อกับแม่แต่ใครทําให้เป็นลูกเราเป็นพวกพวกนาซรอก็พ่อแม่ใครทําให้เป็นพวกบูชาบูชาไฟก็พ่อแม่ท่านอยู่ที่พ่อแม่หมดเลยนะพ่อแม่จะให้ลูกเราเป็นคนดีหรือไม่ดีอย่างไงมันอยู่ที่ตัวเราดันั้นต้องคนที่มีลูกเหนื่อยนะ แต่คนไม่มีลูกมันก็มัก็มีเหนื่อยนะก็ดูแลอย่างอื่นไปนะดูแลสุราไปก็แล้วกันนะอย่างบิลันเราเนี่ยลูกไม่มีใช่ไหมก็ดูแลสุราไปเยอะหน่อยเห็นไเสียงอาซาจะให้ขาดนะสุบบยาแ้งนักเบาๆหน่อยก็แล้วกันสุฮาห์นะครับเราขล้นมาบอกนะฮะ อยู่ในบ้าน